บททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตความตายเป็นสิ่งแน่นอนสำหรับทุกชีวิต แต่ขนาดเดียวกันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะเราไม่อาจกำหนดหรือคาดทำนายได้ว่าจะตายเมื่อใดที่ไหนและด้วยสาเหตุอะไรแม้แต่นักโทษประหารหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็อาจจบชีวิตด้วยสาเหตุที่ไม่คาดฝันทั้งความแน่นอนและไม่แน่นอนนี้เอง มีส่วนทําให้ความตายเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นโดยเฉพาะสําหรับผู้คนที่ปรารถนาจะควบคุมทุกอย่างไว้ในอํานาจเป็นเพราะเห็นความตายเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัว เราจึงไม่อยากนึกถึงความตายของตนเองแต่อาจสนใจอยากรู้ความตายของคนอื่นทั้งโดยผ่านสื่นอนานาชนิดและด้วยพฤติกรรมไทมุงสุดท้ายก็เลยลืมหรือกแกล้งลืมว่าตนเองจะต้องตายแต่ไม่ว่าจะปัดไปให้พ้นตัวเพียงใดในที่สุดความตายก็ต้องมาถึงจนได้ ตายนั้นเป็นบททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตบททดสอบอื่นๆนั้นเราสามารถสอบได้หลายครั้งแม้สอบตกก็ยังสามารถสอบใหม่ได้อีกแต่บททดสอบที่ชื่อว่าความตายนั้นเรามีโอกาสสอบได้ครั้งเดียวและไม่สามารถสอบแก้ตัวได้เลยยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นบททดสอบที่ยากมาก และสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้โดยไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นบททดสอบที่เราแทบจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าเวลาสถานที่หรือแม้กระทั่งร่างกายและจิตใจของตนเอง อย่างไรก็ตาม ท, ทั้งที่ความตายเป็นบททดสอบที่สำคัญอย่างยิ่งของชีวิตแต่น้อยคนนักที่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับบททดสอบดังกล่าวชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะการทำมาหากินและการหาความสุขจากสิ่งเสพ เราพร้อมจะให้เวลาเป็นปีๆสําหรับการฝึกอาชีพเข้าคอร์สฝึกร้องเพลงเต้นรำนานเป็นเดือนๆไม่นับเวลานับพันนับหมื่นชั่วโมงกับการช้อปปิง้งและท่องอินเทอร์เน็ตแต่เรากลับไม่เคยสนใจที่จะระเตรียมตนเองให้พร้อมเผชิญกับความตายหรือภาวะใกล้ตายส่วนใหญ่เนือกล่าวกับว่า ตนเองจะไม่มีวันตายหาไม่ก็คิดง่ายๆว่าขอไปตายเอาดาบหน้าไม่มีความประมาทอะไรที่ร้ายแรงไปกว่าการทิ้งโอกาสที่จะฝึกฝนตนเองให้เผชิญความตายอย่างสงบในขณะที่ยังมีเวลาและพลกํะกำลังอย่างพร้อมมูล เป็นเพราะไม่สนใจเตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อนเมื่อล้มป่วยและเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตผู้คนเป็นอันมากจึงประสบกับความทุกข์ทรมานอย่างแรงกล้าทั้งกายและใจทรัพยากรที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอที่จะเอามาใช้ช่วยตัวเองในยามวิกฤตโดยเฉพาะทุนที่สะสมไว้ในจิตใจ ซึ่งสำคัญกว่าทุนที่เป็นทรัพย์สมบัติผู้คนจำนวนไม่น้อยลงเอยด้วยการพยายามต่อสู้กับความตายอย่างถึงที่สุดวากความหวังไว้กับเทคโนโลยีทุกชนิดแต่การพยายามยืดชีวิตนั้นบ่อยครั้งกลับกลายเป็นการยืดการตายหรือภาวะใกล้ตายให้ยาวออกไปพร้อมกับความทุกข์ทรมานโดยคุณภาพชีวิต และจิตใจหาได้ดีขึ้นหรือเท่าเดิมไหมมีแนวโน้มว่าผู้คนจะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายที่โรงพยาบาลกันมากขึ้นโดยเฉพาะคนในเมืองปัญหาก็คือ ระบบการแพทย์ในปัจจุบันเน้นแต่การดูแลรักษาทางกายโดยไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจเทคโนโลยียืดชีวิตกลายเป็นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดแต่สิ่งที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการมากที่สุดนั้นไม่ใช่ความรู้หรือเทคโนโลยีหากได้แก่กำลังใจและความรักไม่เฉพาะจากญาติมิตรและครอบครัวเท่านั้น วและกำลังใจจากแพทย์และพยาบาลก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในยามที่ความรู้และเทคโนโลยีมาถึงขีดจำกัดในการรักษาสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่เลวร้ายลงไปก็คือความเมตตาและความใส่ใจโดยบุคลากรทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามผู้คนแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกไม่สำคัญเท่ากับจิตใจของผู้ป่วยเองผู้ป่วยที่ยอมรับความตายและได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าย่อมมีโอกาสที่จะไปเชิญกับความตายอย่างสงบหรืออย่างน้อยก็สามารถประคองใจไม่ให้เป็นทุกข์ในภาวะใกล้ตายหลายคนพบว่าศา ส, สนา เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของจิตใจในวาระสุดท้ายโดยที่ญาติมิตรหรือคนรักก็ได้รับการเยียวยาทางจิตใจไปด้วยพร้อมๆกันการแพทย์แผนใหม่นั้น เห็นความตายเป็นปฏิปักต่อวิชาชีพแพทย์ความตายของผู้ป่วยหมายถึงความล้มเหลวของแพทย์ดังนั้นจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาชนะความตายให้ได้หรือหากทำไม่ได้ก็พยายามยืดชีวิตผู้ป่วยให้ได้นานที่สุดดังนั้นจึงไม่ลังเลที่จะทำอย่างไรก็ได้กับร่างกายของผู้ป่วยแม้นั่น จะหมายถึงการสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยและญาติมิตรจะเป็นการดีกว่าหากแพทย์และพยาบาลมองความสําเร็จและความล้มเหลวของตนในแง่มุมใหม่คือไม่ได้ถือว่าความสําเร็จอยู่ที่การช่วยหรือยืดชีวิตของผู้ป่วยให้ได้เท่านั้นแต่ยังอยู่ที่การช่วยให้เขาไปเชิญความตายอย่างสงบมีคุณภาพชีวิตดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนตายมองในแง่นี้ความตายของผู้ป่วยจะไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวของแพทย์และพยาบาลเสมอไปไม่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายไป ก็ยังถือว่าเป็นความสำเร็จของแพทย์และพยาบาลได้หากว่าจิตใจของเขาได้รับความใส่ใจไม่น้อยไปกว่าร่างกายในการรักษาพยาบาล น, นั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีผู้ป่วยคนใดตายเลยแต่เป็นไปได้ที่เขาจะจากไปอย่างสงบเพราะฉะนั้นความสำเร็จในนิยามใหม่นี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้ ในการรักษาผู้ป่วยทุกกรณีนิมิต ด, ดีก็คือมีแพทย์และพยาบาลจำนวนมากขึ้นที่ให้ความสำคัญกับจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายคน แม้จะไม่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตต่อไปได้แต่ครอบครัวและญาติมิตรของผู้ตายก็ซาบซึ้งที่แพทย์และพยาบาลช่วยให้คนรักของเขาจากไปอย่างสงบความสำเร็จของแพทย์และพยาบาลเหล่านั้นอยู่ตรงที่ไม่พยายามยื้อชีวิตของผู้ป่วยให้นานที่สุดแต่พยายามประคับประคอง ให้เขาบรรลุวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างเจ็บปวดน้อยที่สุดและมีจิตเป็นกุศลหรือสงบมากที่สุดการแพทย์แบบประคับประคองหรือพันเรียฉีบแค่เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับความสนใจมากขึ้นจากสถาบันการแพทย์สมัยใหม่ขณะเดียวกัน ก็ควรผนวกเอาวิธีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบบูรณาการเข้าไปด้วยดังที่ได้มีการริเริ่มบ้างแล้วจากหลายฝ่ายจนเกิดเป็นเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยแพทย์พยาบาล น, นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นักบวชและนักปฏิบัติธรรมจำนวนหนึ่ง ถ้าเราหันมาใคร่ครวนเกี่ยวกับความตายและพยายามฝึกใจให้พร้อมรับมือกับบททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตความตายจะไม่ใช่วิกฤตหากเป็นโอกาสแห่งความสงบในทางจิตใจที่เงินและเทคโนโลยีไม่สามารถหาให้ได้